อยู่บ้านใส่บาทนะแต่ที่สมัยคือการรักษาศีลนะอันนี้เป็นเป็นอ่จะเรียกหัวใจนะของการปฏิบัติธรรมในวันพระการรักษาศีลแปดเนี่ยนะเราก็ต้องรักษาถูกต้องนะ การพลาดเป็นโอกาสที่เราจะได้มารักษาศีล8ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องนะมันก็อาจจะกลายเป็นศีล8เปื้อนได้แปดเปื้อนคือมันไม่สวยไม่สะอาด8เปื้อนโดยอะไรแเปือ้อยโดยกิเลส8เปื้อนโดยความหลงเช่นมารักษาศีล8มาอยู่วัดแต่ว่า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 รูปคำหรือ8เปื้อนอะไรมารูปคำอะไรที่8เปื้อนก็คือตัณหามาณทิฐินั่นแหละแต่ถ้าเกิดราปฏิบัติถูกต้องนะมันก็เป็นศีลอริยานะมารักษาอุโบสถศีลก็ขอให้มันเป็นอริยะอุโบสถศีลอริยนอะุบสถศอริยะอุโบสถทศศีสส น, นี่นะ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 และสิ่งที่ช่วยทำให้เรารักษาศีลแปดได้อย่างมั่นคงนะจนกระทัาเป็นอริยอุโบสถศีล น, นะก็คือการที่เร า, เราลรึกอยู่เสมอว่าศีลที่เรารักษาแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะก็คือศีลที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความภาคภูมิใจว่านะ่สิ่งที่เราทำเนี่ย ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้ทำมาก่อนแล้วเรียกว่าเป็นการเดินตามท่านปฏิบัติตามท่านแล้วก็ทาให้เราเข้าใกล้ความเป็นอาหารหันต์นะมากขึ้นเข้าใกล้ามากขึ้นนะเกิดมาทั้งทีนะมีอวัยวะครบ32ไม่เจ็บไม่ป่วย นะมีอายุยืนมาถึงป่านนี้นะก็ถือว่าเป็นโชคนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐนะไม่ใช่หมู่แต่หาเงินหาทองหรือว่าหาเกียรติยศชื่อเสียง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 เราก็อยากดูว่าใครเป็นหนี้ชั้นบ้างลืมหมดแล้วไม่สนใจอะไรแล้วทำมากก็ไม่สนใจแต่สนใจแต่เงินทองก็ยิ่งทําให้มีความทุกข์นะมันตายไม่ได้นะเพราะหวงแหนเงินทองเอาไว้อันนี้เรียกว่าทําให้ตายไม่สงบนะแล้วก็เป็นการปิดกั้นจิตใจไม่ให้ รับธรรมะคนเราก่อนจะตายถ้าได้อาศัยธรรมะมันก็ช่วยทำให้จิตใจสงบลงบ้างนะบางคนเนี่ยเที่ยวจนติดนะอายุเก้าสิบเจ็ดปีเกือบร้อยแล้วร่างกายก็อ่อนแอควรที่จะนอนพักที่บ้านแต่อยู่บ้านไม่ได้เลยนะอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลย จะต้องให้ลูกให้หลานเนี่ยพาออกไปเที่ยวเคยมีเมียเมียก็อายุไม่มากนะห่างกับตัวต้องสี่สิบปีบอกว่าเมียก็ทนไม่ไหวเนะพราะว่าถูกลบเราให้พาไปเที่ยวอยู่ทุกวันนะต้องขับรถไปเที่ยวไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ต้องไปพาไปกิน ร้านอาหารดีๆของอร่อยอร่อยร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะแต่ก็ถ้าวันไหนไม่ได้เที่ยววันไหนไม่ได้กินก็จะงุนงานพุ่นพล่านนะบางทีก็เคาะประตูตบประตูตะโกนเรียกให้คนพาไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็ยังโวยวายนะเนี่ยเมียก็เลยหนีอยู่ไม่ไหว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 ไม่เจ็บไม่ป่วยมากนี่ยังงุ่นงานพุ่นพานขนาดนี้แล้วถ้าเกิดป่วยจนท่านจนกระทั่ง น, นอนติดเตียงเนี่ยมันจะขนาดไหนนะอาต้องมัดเอาไว้เลยเพราะถ้าไม่มัดนี่ก็จะหาทางนะลงมาจากเตียงจะไปโน่นไปนี่ให้ได้หรือแมงไม่ชนะก็ดินนะอันนี้ก็เรียกว่าหน้าสงสารนะ ขนาดมีโชคนะอายุยืนถึง97ปีนี่แทนที่จะใช้เวลาที่มีเนี่ยทำความดีซึมซับรับธรรมะเพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเกิดมาเป็นมนุษย์นะประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการที่ได้เนะข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง นะก็คืออิสระจากกิเลสอิสระจากความทุกข์นะอันนี้เรียกว่าทำไมมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าเทวดาและมารพร้มด้วยซ้ำจนะทำให้เราสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ได้อย่างมีความสุขนะอันนี้เรียกว่าประโยชน์สูงสุด ข, ของการเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าเกิดมาทั้งทีนะ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 ให้ศีลที่เราบาเพ็ญเนีนะ่ยเป็นอริยะนะอริยะอุโบสถศีลและอริยะอุโบสถศีลที่เรารักษานี่แหละนะต่อไปเขาก็จะรักษาเราแล้วก็ทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นอริยะมากขึ้นวันนี้เรารักษาศีล น, นะต่อไปศีลจะรักษาเรา การที่เรามาสมาทานอุโบสถศีหรือศีล8เนี่ยนะอย่าไปมองว่ามันเป็นการทรมานตนนะหรือว่ามันเป็นการทำตนให้ลำบากที่จริงพวกเราที่มารักษาศีกันมานานหลายปีนี่ก็คงจะรู้ว่ามันไม่ใช่การทรมานหรือการทำตัวให้ลำบากเลยสบายด้วยซ้ำนะ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 อันนี้มันก็เป็นการลดละนะกามาสุขนะรวมทั้งการาไม่ไปเทียวเตะร้องลาททำเพลงไปเสพความบันเทิงเริงรมนะรวมทั้งการประดับประดาร่างกายด้วยของหอมนะเพราะบางคนก็อยากจะเห็นตัวเองสวยอยากจะเห็นตัวเองหล่อ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 เพื่อได้เข้าถึงความสุขหรือสัมผัสความสุขที่เป็นนี่คือความสุขทางใจให้การมาสุขเนี่ยมาเป็นความสุขทางกายนะแต่ว่ามันมีความสุขที่ดีกว่านั้นนะเป็นความสุขทางจิตใจความสุขจากจิตที่สงบนะความสุขที่เกิดจากจิตที่รู้จักลดจักละนะที่สําคัญนะคนไปคิดว่าความสุขเกิดจากการมีการได้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 ลิมฝีปากนะนทรมานมากนะต้องผ่าตดถึงเจครั้งนะกว่าจะกลับมาเป็นปกติเครียดแค้นมากแต่ตัวหลังนี่ก็รู้ว่าเครียดแค้นไปก็มันทรมานจิตใจโดยเปล่าก็เลยให้อภัยพอให้อภัยแล้วเนี่ยสึกว่าเออสบายเธอบอกว่าเนี่ยมันเป็น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 ฉันต้องได้4นะอย่างน้อยๆฉันต้องได้เท่าเขานะหรือว่าถ้าฉันได้4แต่คนอื่นได้ 3.8 จเนี่ยเออเนี่ยฉันี่จะมีความสุขเพราะนี่คนเราไม่ได้แค่อยากเก่งนะแต่ต้องเก่งกว่าคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่อยากสวยอยากรอเท่านั้นต้องสวยกว่าคนอื่นด้วยต้องหลอกว่าคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่อยากใหญ่เท่านั้นนะต้องใหญ่กว่าคนอื่นด้วยนะอันนี้มันคือความโลภนะ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 มันที่จะหนีพ้นไอ้คำต่อว่าด่าทอได้แม้กระทังพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องเจอนะเจอหนักด้วยนะถึงก็ถูกใส่ร้ายว่าไปฆ่าคนไปฆ่าผู้หญิงนะหรือว่าไปทําผู้หญิงท้องนะแต่คนที่มีตานี่จะแม้เจอเบาบางกว่านี้ก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ้เราต้องรู้จักนะต้องรู้จัก